เท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางอยู่บนมือซ้ายที่หน้าตักนิ้วชี้ขวาจดพอดีหัวแม่มือซ้ายตั้งกายให้ตรงดารงสติให้มั่นคงเนะถ้าหากว่านั่งเรารู้สึกมันเมื่อยเปลี่ยนอิริยาบถได้แต่ใจให้กำหนดอยู่ในองค์บริกรรมนิมิตบริกรรมภาวนาอยู่ในธรรมะตลอดอย่าได้ทาให้คนอื่นตื่นจากสมาธินะ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 ให้เห็นศูนย์กลางของดวงแก้วตั้งอยู่ตรงปากช่องจมูกหญิงซ้ายชายขวาดวงแก้วที่เรานึกเห็นจะโตจะใหญ่แค่ไรก็แล้วแต่อาจจะนึกเห็นขนาดเล็กเท่าดวงตาดำถ้านึกเห็นได้สะดวกหรือโตขึ้นมาหน่อย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 เข้าไปตรงๆช้าๆไปหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกักศีสะเสมือนหนึ่งศีสะของเราเป็นที่ว่างโลง่งใสสว่างเหมือนกลางวันมีดวงแก้วตั้งอยู่ใสสัมมาอาระหังสัมมาอาระหังสัมมาอาระหังท่องในใจไว้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 ขณะเดียวกันเราก็นึกเลื่อนดวงแก้วกลมใสโดยใจไม่เคลื่อนจากจุดเล็กใสน่ะเลื่อนลงไปตร ง, ตร ง, ตรงชๆช้าๆไปหยุดนิ่งที่เพดานปากบริกรรมภาวนากำกับไว้สัมมาอระหังสัมมาอระหังสัมมาอระหังนี้เป็นฐานที่ตั้งของใจฐานที่สี่ พอใจหยุดนิ่งหน่อยเห็นเท่าไรเอาเท่านั้นนึกเลื่อนดวงแก้วกลมใสลงไปตรงๆช้าๆอีกไปหยุดนิ่งที่ปากช่องลำคอบริกรรมภาวนากำกับไว้สัมมาอระหังสัมมาอระหังสัมมาอาระหั ง, รห ง, าารหงตรงกลางของกลางกลางของกลางจุดเล็กใสไว้พร้อมกับสังเกตลมหายใจเข้าออก เป็นช่องว่างโลง่งลงไปเหมือนขวดน้ำอย่างนั้นนะใสพร้อมกับเรานึกเลื่อนดวงแก้วกลมใสนั่นแหละลงไปตรงๆช้าๆเห็นใสสว่างลงไปหยุดนิ่งตรงที่สุดลมหายใจเข้าออกตรงศูนย์กลางกายระดับสะดือพอดี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 กลางของกลางกลางของกลา ง, ง, ลางจุดเล็กใสตรงนั้นให้นิ่งคอยมีสติอย่าเผลอสตินะถ้าใจจดจ่ออยู่แล้วจใจจะสงบนิ่งสบายเทียวสบายทีเดีย ว, ยยวจนกระทั่งใจหยุดนิ่งถูกส่วนจะปรากฏดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายใสยแจ่มขึ้นมาเห็นแล้วอย่าตื่นเต้นนะให้ละองบริกรรมภาวนาว่าสัมมาอารหังเสีย หยุดตัวเดียวหยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางดวงธรรมนั้นเนี่ให้ใสสว่างท่านจะเห็นภายในดวงประกอบด้วยศูนย์หรือดวงเล็กๆ50ห้าศูนย์กลางหน้าขวาหลังซ้ายอย่าลังเลสงสัยหยุดนิ่งกลางของกลางศูนย์ตรงกลางที่สุดกลางนั้นคืออากาศธาตุกลางอากาศธาตุเป็นวิญญาณธาตุหยุดนิ่งกลางของกลางกลางของกลางวิญญาณธาตุ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 ศูนย์กลางดวงใสสว่างต่อตอไปนั่นแหละให้ใสแจ่มสุดละเอียดทีเดียวท่านจะประสบกับความสันทิสุขอย่างที่ไม่เคยพบมาก่อนถ้าถึงดวงนี้แล้วเป็นมหา니สงทีเดียวตั้งใจทำให้ดีทุกท่านท่านที่ยังไม่เห็นดวงตั้งใจทำเลยนะแล้วไม่ต้องสนใจคำสอนต่อไปท่านที่เห็นดวงใสแจ่ม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 สัมมาอรังสัมมาอรังสัมม า, ร า, ม า, ราอรังกลางของกลา ง, งกลางของกลางกลางของกลางจนใจหยุดนิ่งไม่เกาะเกี่ยวอยู่ด้วยอะไรจะปรากฏ ด, ดวงปฐมมรรคหรือดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายใสแจ่มขึ้นมาเราหยุดนิ่งเฉยๆเท่านั้นหยุดนึกหยุดเข้าไปเห็นจุดเล็กใสกลางดวงใสสว่างหยุดนิ่งเข้าไปแล้วศูนย์กลางขายายว่างออกไป ดวงใสสว่างต่อต่อไปจะปรากฏแทนที่กันขึ้นมาเรื่อยๆเราก็จุดจ่อลงไปกลางของกลางกลางของกลางกลางของกลางจุดเล็กใสกลางดวงใสต่อต่อไปให้ใสแจ่มสุดละเอียดจะหาความสุขอื่นใดนอกจากใจหยุดใจนิ่งอย่างนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่านัตถิสันติป ร, รังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าใจสงบหยุดนิ่งอย่างนี้ไม่มีดําเนินไปทุกท่าน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 มีเทพยาดาพรหมอรุปพรมและสัตว์โลกในทุกติภูมิขอกุศลผลบุญนี้จงถึงแก่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงเป็นพระวะปัจจัยแก่ท่านทั้งหลายให้ปราศจากความทุกโศกโรคภัยสัพภอันตรายและอุปัตรวันตรายทั้งปวงปราศจากอุปสรรคในการดำเนินชีวิตโดยชอบจงจเจริญรุ่งเรืองในพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมา ส, สัมพุทธเจ้าและกิจาการงานโดยชอบมีอายุมั่นขวัญยืน สุขสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติมีมรรคสีผลสีและนิพพานหนึ่งโดยสมาธิแต่ส่วนเดียวโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนตืน่นนิพพานะปัจยโยโหตุสัพเพพุธากัลปะตาปัจเจกานันเจยียงพลัง อรหันตานันจะเตเชนารักขังพันธามิสสพปโสเตอัตลาสุขิตาวิรุณหากุตสาเสนอโรคาสุขิตาโหุทธัสหัสภัยหิยาติภิกขะวะตุสัพมังคลังรักขันตุสะเปเทวตาสะพพุทธานุภาเวนะสะพธรรมานุภาเวนะสะพสังขานุภาเวนะสะทาสูถีภักวันตุเตทุกคนค่อยๆคลายออกจากสมาธิ